เมื่อมีการรับรู้ก็จะมีความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นเช่นสุขสบายทุก์ไม่สบายหรือเฉยเฉยเรียกว่าเวทนาพร้อมกันนั้นก็จะมีการหมายรู้อารมณ์ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เรียกว่าสัญญาจากนั้นจึงเกิดความคิด ความดำริตรึกต่างๆเรียกว่าวิตั ก, กะกระบวนการรับรู้เป็นไปอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการประสบอารมณ์โดยได้รับประสบการ์ภายนอกหรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพิจารณาในใจเขียนให้ดูง่ายๆโดยยกความรู้ทางตาเป็นตัวอย่าง อายตนะคือตาบวกอารมณ์คือรูปบวกจักุวิญญาณคือการเห็นเท่ากับผัสสะคือการรับรู้แล้วเกิดเวทนารู้สึกสุขทุกเกิดสัญญาจำได้หมายรู้เกิดวิตกะการคิดขั้นตอนของวิต ก, กะคือการคิด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 อยากเลี่ยงพ้นหรืออยากทำลายเป็นตัญหาฝ่ายลบต่อจากนั้นความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะกำหนดเน้นหรือเพ่งไปที่อารมณ์คือสิ่งที่เป็นที่มาของเวทนานั้นเอาสิ่งนั้นเป็นที่จับของความคิดพร้อมด้วยความจำได้หมายรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นสัญญา แล้วความคิดปรุงแต่งก็ดำเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจไม่ชอบใจนั้นเรื่องปรุงแต่งของความคิดก็คือความโน้มเอียงความเคยชินกิเลสจิตนิสัยต่างๆที่จิตได้สั่งสมไว้ซึ่งเป็นสังขารและคิดอยู่ในกรอบในขอบเขตในแนวทางของสังขาร น, นั้นจากความคิด ก็อาจแสดงออกมาเป็นการทำการพูดการแสดงบทบาทต่างๆถ้าไม่ถึงขั้นแสดงออกภายนอกอย่างน้อยก็มีผลกระทบต่างๆอยู่ภายในจิตใจเป็นผลในทางผูกมัดจำกัดตัวทำให้จิตคับแคบบ้างเกิดความกระทบกระทั่งวุ่นวายเร่าร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองบีบคั้นใจบ้างหรือถ้าเป็นการพิจารณาเรื่องราวกิจการต่างๆก็ทาให้เอยนเอียง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 เป็นสภาพที่ไม่เกือ้อกูลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอกุศลสร้างปัญหาและก่อให้เกิดทุกข์กระบวนการของความคิดนี้เขียนให้ดูง่ายแสดงเฉพาะสภาพจิตหรือองค์ธรรมที่เป็นตัวแสดงบทบาทสำคัญสำคัญดังนี้ผัสสะคือการรับรู้ทำให้เกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ ทำให้เกิดตัญหาความอยากที่เป็นปฏิกิริยาบวกหรือลบทำให้เกิดทุกข์คือปัญหาในชีวิตของคนทั่วไปกระบวนธรรมะแห่งปัญหานี้เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินไปเกือบตลอดเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วเล่าๆนับครั้งไม่ถ้วนชีวิตที่ไม่มีการศึกษา ยอมถูกรอบงำและกำหนดด้วยกระบวนการแห่งความคิดอย่างนี้ความเป็นไปของกระบวนธรรมนี้ดำเนินไปได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สติปัญญาไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจหรือความสามารถอะไรเลยจัดเป็นธรรมดาขั้นพื้นฐานที่สุดยิ่งได้สังสมความเคยชินไว้มากๆ ก, ก็ยิ่งเป็นไปเองอย่างคล่องแคล่วอย่างที่เรียกว่าลงรอง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 ลักษณะทั่วไปของมันคือเป็นการคิดที่สนองตันหาผลของมันคือการก่อปัญหาทำให้เกิดทุกข์จึงไม่เป็นการศึกษาสรุปสั้นๆจะเรียกว่ากระบวนการคิดแบบสนองตันหาหรือการคิดแบบก่อปัญหาหรือวงจรแห่งความทุกข์ก็ได้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 ดำเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆ่บ้างทำให้มนุษย์เริ่มหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสไม่ถูกกระบวนความคิดแบบนั้นรอบงากกำหนดเอาเต็มที่โดยสิ้นเชิงในเบื้องต้นตัวปรานั้นอาจเป็นเพียงเสียงเหนี่ยวรังหรือรูปสำเร็จแห่งความคิดที่ได้รับการถ่ายทอดโดยปารโตโคสะจากบุคคล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 แต่ในขั้นสูงขึ้นไปปรโตโคสะที่ดีอาจชักนำศรัทธาประเภทที่นำไปสู่ความคิดเองได้ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบปรโตโคสะที่ชักนำให้เกิดศรัทธาแบบรูปสำเร็จตายตัวไม่เป็นสื่อนำการคิดพิจารณาต่อไปเช่นให้เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นอย่างไรยอมสุดแต่เทพเจ้าบรรดาลหรือเป็นเรื่องของความบังเอิญ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 ก็ยอมคิดค้นสืบสาวหาเหตุปัจจัยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อต่อไปความคิดพิจารณาที่ศรัทธาต่อประรโตโคสะช่วยสื่อนานั้นเริ่มต้นด้วยองค์ธรรมที่เรียกว่าโยนิโสมนาสิการพูดอีกอย่างหนึ่งว่าประรโตโคสะที่ดีสร้างศรัทธาชนิดที่ชักนำให้เกิดโยนิโสมนสิการ เมื่อโยนิโสมนาสิการเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงว่าได้มีจุดเริ่มของการศึกษาหรือการพัฒนาปัญญาได้เริ่มขึ้นแล้วจากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใช้ปัญญาและทำให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นทางแห่งความดับทุกข์และนี้ก็คือการศึกษาพูดสั้นๆว่า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 เมื่อไม่เกิดตัญหาก็ไม่มีความคิดปรุงแต่งตามอำนาจของตัญหานั้นต่อไปเมื่อตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัญหาแล้วโยนิโสมนัสิการก็นำความคิดไปสู่แนวทางของการกอหาหแก้ปัญหาดับทุกข์และทำให้เกิดการศึกษาต่อไปอาจเขียนกระบวนความคิดให้ดูง่ายๆดังนี้ ภาษะคือการรับรู้ทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเวทนาสายหนึ่งทำให้เกิดตัณหาและอื่นๆไปสู่การเกิดทุกข์คือเกิดปัญหาอีกสายหนึ่งจากเวทนาเกิดโยนิโสมนสิการเกิดปัญญานำไปสู่การดับทุกข์คือแก้ปัญหา อย่างไรก็ดีสำหรับมนุษย์ปุตุชนแม้เริ่มมีการศึกษาบ้างแล้วแต่กระบวนการความคิดสองอย่างนี้ยังเกิดสลับกันไปมาและกระบวนหนึ่งอาจไปเกิดแทรกในระหว่างของอีกกระบวนหนึ่งเช่นกระบวนแบบแรกอาจดำเนินไปจนถึงเกิดตัณหาแล้วจึงเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดและหันเหไปใหม่หรือกระบวนแบบหลัง ดำเนินไปถึงปัญญาแล้วเกิดมีตัณหาขึ้นในรูปใหม่แทรกเข้ามาโดยในย่านี้จึงเกิดมีกรณีที่นํำมาผลงานของปัญญาไปรับใช้ความต้องการของตัณหาได้เป็นต้นบุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณ์แล้วเมื่อคิดก็คิดอย่างมีโยนิโสมนสิการเมื่อไม่คิดก็มีสติครองใจอยู่กับปัจจุบัน คือกำกับจิตอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำและพฤติกรรมที่กำลังดาเนินไปอยู่ของตนอันหนึ่งที่ว่าเมื่อคิดก็คิดอย่างมีโยนิโสมนัสิกานั้นก็หมายถึงมีสติอยู่พร้อมด้วยเพราะโยนิโสมนัสิการเป็นเครื่องหลอเลี้ยงสติและทำให้ต้องใช้ปัญญามีความคิดเดินอยู่อย่างเป็นระเบียบมีจุดหมาย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 เป็นองค์ธรรมที่จําเป็นสําหรับการมีชีวิตที่ดีงามซึ่งแก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญาโยนิโสมนาสิการอยู่ในระดับที่เหนือศรัทธาเพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเองเป็นอิสระเมื่อพิจารณาในแง่ของระบบการศึกษาอบรมโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายใน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 เป็นอนุาได้ทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคภาคของการศึกษาสองประการคือปรโตโคโสะที่เป็นกันลยาณมิตรซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกและเป็นวิธีการแห่งศรัทธากับโยนิโสมนัสิการซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในและเป็นวิธีการแห่งปัญญาพอมองเห็นภาพกว้างๆของระบบในกระบวนการของการศึกษาแล้ว